Book 2 1หนึ่งร้อยนิชวิเศษไดโฟเลตไดโฟเลตเคยยังไม่เคย n ิเฮร์คูร คุณเคยไปเบอร์ลินหรื อ, อยัง I can't even d o in b l e in Berlin? Change, in Berlin? ไม่ยังไม่เคยเลยครับ y a h I d o n e a r e a o e ใครไม่มีใคร d i คุช อกุชคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับอเอ n ัไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับอนตัยนุกเนตอีกนิดอีกไม่นานอม ยุมอะคมาย่มคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมอดอรินีอะคมาจัดกตุอดอรินีอะคมาัดตุไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับอนุคริมัดตุอนุครยมัดต อะไรอีกไม่อีกแล้วอะคุมามะยมะอะคมามะยมะคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมอะดชิโรนปีอะคมามะอะดชิโรนปีอะคมามะไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับยอสตัวมาหยอ สอะอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยดิชกาอะคมาจดิชกาอะคมาจคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมอะคนิงนดจอะคนิงนดจไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับ โย s k a m g r e n อ k o m a ม s าอาซ s k a m g r e n akoma as าอาซิยะมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วโดเนี a อากโอม่าอาสกุชมาโดเนียอากโอม่าอาสกุชมามีใคร อ, ครอนนยกาอ ก, ร, กรับกาแฟาอีกไหมอาจจะชเ อาจะจรอนดภ ит ภ ит ิคุชทเอเตร์ในคาเฟ่ไหมไม่มีใครอีกแล้วครับย อ, อคุชมาย อ, อคุชมากรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด